โยมมารอหลวงปู่ตั้งแต่บ่ายโอ้ก็ไปดูที่นู่นที่นี่หลายแห่งอยู่อยู่ที่นู่นที่นี่หลายแห่งมีกี่คนนะโยมที่นี่ ฮะสิบห้าทุกวันซิททุกวันศิลมีครบสิบห้ามกี่คนฮะฮะจกไก่กันโอ้ยจุไกลเท่าไรก็มาได้ถ้าจงกงมาอยู่ทีนี่ได้ สะสมอยู่มูลไทยข้างล้างก็เอาวันไม่มีวันจุดเลยสิแล้ววันจุดแทนก็ได้ปกติสวดมนต์โบาไหน <c oughs> พ่อคุพ่อจะบอกว่าให้จะจมสวดก่อนแล้วเรามาดูสิกาบป้องกัน <c oughs> เราพ่องูสิกาบป้องกันสามขั้นป้องกันก่อนเลยครับเราเขมรชาอิมินา สำคัญ <c oughs> <c oughs> ควรจะเวลาแหละถอนสติออกยกมือขึ้นใส่ศีรษะแล้วก็ฟังใจทําแล้วต้องฟังแต่ไม่ฟังมันเข้าใจพราอาเ ก, ก, กียวปุ๊บโดนแดดโยกหลงังก็มาคอยแต่นานก็จับจูดเลยแหละไม่ต้องหวีผมแต่งตัวเหมือนลิเกละครละ <c oughs> เดินป้องกวาดมาแล้วก็จับมุดเลยภาษาบ้านน้องว่าจับจูดเลย พูดถูกฟังแล้วไม่ใช่พูดให้เชื่อไม่ใช่พูดให้ทําตามเราทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถูกฟังคําว่าทําบุญทําบุญพาทําบุญพ า, พาดูบุญหรือพาดูสวรรค์สวรรค์นในอกในรถในใจจยากให้เข้าใจวิธีกรรมของพระพุทธเจ้าทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเลือนตรรุเพราะพระพุทธเจ้าทำบุญแต่พระพุทธเจ้าหาสินหาธรรมมาโปรดสัตว์โลกดูหาหกปีจึงเลยตัดตรรุ่งพระพุทธเจ้าดูอะไรดูลมลมหาย ใ, ใจเข้าออกหาย ใ, ใจออกนั่นแหะพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าอ่าหายใจในตัวของเรามีสองอย่างหนึ่งกายสองใจใจเรียกว่านามธรรม กายที่ว่ารูปมาทำรูปมาทำไม่ใช่ของเราของคุณพ่อของคุณแม่นี่คุณพ่อคนเดียวไม่ได้รูปมาทำมีคุณแม่คนเดียวไม่ได้รูปมาท ำ, ร, าทำรูปมาที่หลังเห็นไหมญาติโยมเขามีครอบครัวไม่ใช่วันหนึง่งสองวันจะมีรูปนะบางคนเป็นหลายปียังไม่ค่อยมีก็มีมีรูปะต้องติดสน thi เข้าจองไว้ก่อนก็คือใจ แต่ จ, จองไว้เกิดที่เกิดใจเข้าไปก่อนใจยึงเป็นตัวของเราสังขารร่างกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่สังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายอืแต่คนคง <c oughs> พอได้ร่างกายแล้วก็เริ่มใจแล้วกินว่าจะเกิดมาเพื่ออะไรใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบกุทธศาสนาอยากปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในบทสวดพระพุทธมนตรก็อยู่เทวดาสอนมันเทวด า, ส อ, วดาสอนเทัท้งเตมทั้งมย์ทั้งคนเดี๋ยวถ้าเป็นคนเดี่วยากยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะธรรมะของพพุทธเจ้ามันละเอียด ถ้าเราตั้งใจเอาทุนนี้ซะก่อนดูใจเยอะๆจึงจะเห็นใจของตนเองว่ามาเพื่ออะไรเราไม่เคยดูใจเลยไม่เห็นใจว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็เลยทําไปสุ้มสี่ซุมห้าพระพุทธเจ้าจึงเลือกจึงบอกว่าแล้วไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตาราไม่ให้เชื่อทุกสิ่งแต่ข่าวเราลือมาไม่ให้เชื่อที่เขอมาทำมาให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้านะ ไ่เชื่อไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เคยเห็นบุญก็สอนทำบุญไม่เป็นมีแต่สอนให้ทาตามไม่ใช่ตำหนิกนะพูดตู่ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อไม่ใช่พูดไม่ได้พูดให้ทำตามเดี๋ยวจากนว่าหลวงพ่อตำหนิที่โน่นตำหนิที่นี่พูดตามหลักเหตุผลของพรูเจ้าพูดตามหลักเหตุผลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พามา ต า, ตามเนี่ามของภูเเจ้าคือส่วนมากก็เข้าป่าเข้าดงนะแต่ปิ่นแต่ทําแท้ปลมแท้ตายเคยเตือนแด่โยมเมื่อวานยังถามอยู่ว่าหลวงปู่คําว่าพระผลไม้พันอยู่เลยตายไม่เป็นยังไงน่ะนนในรูเรคาคําว่าเลยตายเป็นยังไงต้องเข้าป่าหรือองค์เดียวนะไม่กลัวน่นไม่กลัวนี่อธิษฐานจิตใจสวดมนต์แค่นี้แหละไม่ต้องไปสวดมากหรอก ไปสวคาถาปราบผีที่ไหนผียิ่งมาสู้สู้ผีได้เหรือคาถา <c oughs> พระพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาเวลาจนี้ก็ทําใจให้เยอะๆให้ปฏิบัติเยอะปฏิบัติบูชาสวดจบพระใจไปจบก็ไม่ได้หรอกสวดจบแล้วเป็นของพระพุทธเจ้านะที่ของเรามีหรือยังดูหรือยังเห็นหรือยังดูหรือยังถ้าดูแล้วก็เห็นก็รู้เห็นอะไรเห็นสวรรค์เห็นบุญ พดูบุญพะดูสวรรค์มกินสวรรค์ในอกนรกในใจหนึ่งนาทีดีกว่าไม่ดูเสียเลยง่ายไหมง่ายมากถึงกับคนทำไมได้น ะ, ะยากพิสมันชนคนธรรมดาต้องเหนือจากคนธรรมดาจึงจะทำได้จึงจะรู้ได้เราไม่ไนะับภาพทมบุญเลยไม่มีจติตตัวปัญญานะ ที่จะมาสอดความรู้ความเห็นเข้าใจจริงๆังก็คือปัญญาแสงสว่างสมรู้ปัญญาไม่มีน่นไม่ใช่แสงพูกแสงเคลือนแสงหลอดไปแสงดอกไม้พูกเทียนหรอกถ้าพูดได้ขอเป็นมาของอดอกไม้มันไม่ใช่มีประวัติมายัางไงล่ะได้ยินไหมโบราณเขาไปเทีย่ยวป 4, ่าที่รู้เห็นกองขิมมาอยู่กลางป่าผุ้หนึ่งก็เอาฮักไม้โอ้ยนารักเคีย่อนไว้เป็นตักเคลื่อ แต่ก่อมันจนอนนงทางหมาก็ไป น, นั่ ง, งนคนฝีตั้งางุณ้นึงก็เอาปอกไว้พ น, นี่ก็ปอกไว้ผุ้นั้นก็ปลอกไว้ไปมากปอกไว้เอาไปมาเขากว่าผูซทน่้านนอกนะแกคนผู้ที่ใส่ดากไมหลักฮรดอกไม้มาผู้่น่ะนันกบุเป็นมาของดอกไม้นะขอใัรนะไม่ใช่ประมาทนะมาเที่ยไหนก็เห็นใจที่ น, น, นี่แหละในหนังว่าอาจารย์าจารยสอนอาจโยม ที่ทางที่ถูกต้องก็พูดได้เที่ยวตั้งเวรทั้งหลายมันสะทาเม้าตะพัวบอกว่ามันจะสรา้างคำท้านะแล้วเลยมีได้ประดับประดามันทําให้ไม่ถูกพระพุทธเจ้ากลาวไม่ถูกพระพุทธเจ้านั่ น, นมันไปถูกดอกไม้ก่อนถ้าตีดอกไม้เราจะไปสวรรค์นี่ฟานได้ไหมล่ะเนะม้าตะพัวบอกว่าดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเป็นพัวบอกว่ามันเสียเวลานะอีกคนหนึ่งท้าพวก Bedeutet, ถือตรงตรงเลยอ่ะเดิมตรงตงมาไม่ต้องเอาอะไรเราไม่ต้องเอาเอกไม่ทุกเจียนไปแต่ตัวเปล่าเราไม่คือนิ้วมือไปกลาวไปไหว้ใช่ไหมบอกกลาวผู้มื่อกีนั่นเรได้ไดบูชาเห็นไหมไม่ใช่แยหาเราไม่มาบูชาให้รบกรังเอาใส่แกกันเอาน้ําไปใส่ถึงประเทศไทยสองสาวันยุ่งไปใข่ใส่ไปตอดคนได้บุญหรือได้บาปเราแล้วเราทำตรงตรงนี่คือแบบคารวะเจ้าโจมแบบ พิธีกรรมของในหลวงพิธีกรรมทา ง, งโลกของพ่อไปว่านนะวิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาะไม่อยากให้ทําเพราะมันทําให้ลูกหลานหลงต่อไปอีกเดีนะ๋ยวเขาเขาจะว่าโอโบราณท่านมาโบราณท่านมานั่นแหละคําว่าเขาพาทำมาเขาถ้าเอาพิจรณาแปลนึกไปว่าโง่เขาไปเชื่อทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พาทำมานั่นฟังดูที่ประวัติความเป็นมาของดอกไม้ จะเอาตั้งแต่งงงันที่พระบูชาเข้ามาปฏิสนธิบู้าไปเอาดอกบัวมาที่ช่างเกลือกมาน่เห็นไหมในนิมิต <c oughs> ที่จะมาเข้ามาปฏิสนธิตีแรกพระกุฏิจักมันช่างเกลือกถือดอกบัวเข้ามาวนไปวนมาสองรอบสำหรับเข้าปฏิสนธิเป็อานอาเซมันดา คนเขเลยไปยึดถือจุดนั้นนะตอนนั่นที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดทรู้เพิ่งเข้ามาปฏิสนติได้ตัดทรู้แล้วไม่มีพระพุทเจ้าสอนให้เอามือเหลือไว้แต่เล่นไท่เดินบอกไว้แต่ลักขโมยป้นกี้ฆ่าตีกาวลุ้นนิ้วมือมาปฏิบัติอุชาด้วยการกราบสังวมกายเพื่อการกสังวมมาจารการดออ า, ารอออมอินาทั้งความจิตใจได้ดูลมเข้าลมออกอยากให้ปฏิบัติแบบนี้เยอะ ทีนี้ส่วนมากเราก็ไปติดแต่อมิตรบูชาบูชาที่ตะตะลุ่นเนี่ยให้โยมทํำอะไรทานศีลบุญทานศีลภาวนาเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยขาดไปแล้วแล้วศีลกับภาวนาวันศีลมันพระไม่มีคนเลยถ้าไม่มีการรักษาศีลภาวนายิ่งไปไกล่ลทานศีลบุญทานศีลภาวนาทานศีลสมาธิสมาธิภาวนาแปลหลายหลายคำนั่นแหละสวันในอกนรกในใจ ถ้าเห็นสวนนรรคนะ์เช่ น, ก, น, น, นชก่อนจึงจะรู้ว่านรกมันเป็นยังไงนะมันก็เทียบไม่ฟังนะแต่เห็นนรกก็คือเห็นสวรรค์เช่นก่อนนรกเป็นยังไงร่ำรวยสวยงามเอาไปคิดเอียดนะว่าจะจริงหรือไม่จริงร่ำรวยกับสวยงามนั่นแหละตัวนรกนใหญนะ่ได้เห็นใจไม่จริงเวลาเสียชีวิ ต, ตทุกที่สุดคือหาที่เกิดนี่ เจ้ากรรมนายเวรเขาไปคอยรับอยู่นู่นพวกเขียนชื่อผู้ติดไปวันไหนอยู่วันไหนจะเสียชีวิตวันไหนแถวเตรียมไปถามแล้วที่เราได้ยินอยู่เสมอว่าพระยาโยมทีบาลเขาจะเป็นดักทางที่เราจะผ่านไปสวรัสดิถามอะไรลทำแรก ต, ออกตั้งอกตังใจว่าจะเป็นคนจะเป็นมนุษย์เพราะผู้ศาสนาแล้วว่าจะไปทําตามคําสอนของพุณเจ้า ไปเห็นดุลไปดูบุญไปดูสวรรค์คุณรู้จักทางไปสวรรค์ไหมยายรู้จักทางไปสวรรค์ไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมถ้าเคยเห็นอยู่ก็ตอบเขาได้พั๊บปั๊บปถ้าเคยดูเคยรู้ก็เห็นถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นอะไรตอบเขาเขาจะถามมาจากเมืองไห น, นะมาจากเมืองนรกนั่นอะไรไปเมืองนรกคือใจของคนเราไปอยู่กับล้ำรวยสวยงาม เทียมพิชญาจมฟังอยู่เสมอถ้าสีโีนตามนางมโนราเ็ดปีเ็ดเดือนเ็ดวันอีกถจึงเจอเจออยู่ที่ไหนเจออยู่ที่มูโภเงินมโนรามโนพูฟังเข้ามาเทศมามโนเตรษามโนปัญาทำทั้งหลายคือใจมโนคือใจมีใครเห็นใจฟังไหมล่ะดูแต่ตกายตื่นขึ้นมาแต่งผมแต่งเล็บแต่งผ้นแต่งหนัง ล่าสันจรกรรมล่าเสริมสวยราคาเท่าไรรูกหลานอยูที่อังกโอ้เหมือนกับญาติโยมคอยคิยวเข้าโรงพยาบาลนัล่นโรงพยาบาลรักษาใจโรจงพยาบาลรักษาโรคโรคอะไรโรคอยากสวยงามนั่งเป็นแทวโอ้ยหลวงปู่เอ้เอาเบ่อเอ้เอา เ, อาเอางินขาดเพียงเดียวคือบ่มีผู้ิมมาเห็นงานไหน เพาผู้จะไปทําเสริมสวยต้องได้สูตรได้เรียนต้องจบเสียก่อนไม่งั้นปูขนตาใหม่ให้เขาใส่ด้านตาไม่เป็นขนตาเขาอักเสบตาอักเสบฟ้ฟองล่องเสียชื่อเล็บอัเสบ ฟ, ฟันอักเสบจมูกอักเสบอะไรอักเสบมีเยอะแยะถ้าทำไม่เป็นนั่นแหละเขาจึงว่าไม่อุดเงิน ขอให้มีคนทําให้ะประกาศนี้แล้วก็เลยบอกว่าเปิดโรงเรียน <c oughs> เปิดโรงเรียนสอนสเเิเลยบอก <c oughs> ของต่างโลกมันพ่อหาได้นะแต่เรื่องศีลธรรมเราเน้นหนักอย่าไปทิ้งเถอะมันศีลเหมือนพระไม่ได้ไปวัดก็ทําทอยู่ที่บ้านก็ได้ตอนนี้หลวงพ่อให้ลูกให้หลานทำแล้วเสียค่าเทอมให้ลูกให้หลานเ <c oughs> ลยนี้ <c oughs> คิดว่าจะไม่มีใครมาปฏิบัติ เกือบร้อยคนแล้วตั้งแต่สิบปีขึ้นไปนะให้ถือสินแตกทุกวันสินวันพระถึงกับเรียนจบค่าเทอมเท่าไหร่หลวงพ่ออกให้มีสมัครมาแล้วเกือบร้อยแนละ้วเอาตามคำโบราณต่อไปหัวดาไปคว้านหัวรอนน้าหลังก็นนะี่เป็นทั้งใดตัวจักว่หัวดำไปคว้านหัวรอนน้าหลังพวกหัวหงอกที่ทั้งหลังบอกถือสินเกิพราถือสินชี้เกียจตี้ข้าม เขาก็ตําน้ำเพราะตคือเกาสําเข้าเหลืองเต็มทุงท่งไล่ทุ่งนาอยู่ก็ไม่เจ็บเกี้ยวทําไมไม่เกี่ยวเข้าเข้างามเหลือเอเอเอยู่ทุ่งนาคอยรถหลวงปู่คอยนายหลวงหลวงปู่นนถึงไม่ว่าหรอกแต่ว่าวันศิลปวันพระก็ลืมนะวันนี้ไม่ทําอะไรโยมวันศิลปวันพระแล้วไม่ไปรักษาศิลเหรอผมยุ่งงานคําตอบ ทั้งอยู่เฉยๆนะ้แต่เมืก่ก่อนถึงยิ่ตีกองแรงกองา่ำหรือลกกาอยู่กับยุทธถอนกาอยู่ก็บยุทธเสาอเราไปฟังเตะฟังท่อมทุกวันนี้ไม่ได้อะไรก็ทําไม่เป็นญาติโยมผู้หญิงก็เหมือนกันข้าวนา้าต่ำไม่เป็นทุกวั น, นหัวข้าวก็ไม่เป็นเนึ่งครับไม่เป็นอาหารทําไม่เป็นทํำไรเอาไล่เอาไล้เอ า, า, เ, อาเห็นไหมล่ะอาหารเราอยู่ที่นี่ก็ไปส่งตามร้านโทรศัพท์มาไปส่ง เห็นไหมไ่ะแต่บุญอุศลลืมไปแล้วสินะอาหารกายวันหนึ่งเท่าไหร่ดูที่ทาา่านเช้าแต่อาหารใจละ่ะใจละ่จละได้ทานอาหารไหมได้เลี้ยงไหมได้แต่งไหมได้รักษาไหมใจตายไม่เป็นทําไมไม่ดูนใจนะพาไปสู่สวรรค์พาไปนิพพานร่างกายไม่พาไปนะไปถึงเต่าไปได้ยินไหม อย่งพระพุเจ้าบอกว่าเกิดแล้วแกเจ็บตายสังขารร่างกายไม่ใช่ของเรายืมโลกไม่ใช่เปของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรบ้างดินน้ำมลมไฟธาตุดินของแขนธาตุน้ำของเหลวธาตุลมพัดไปพัดมาธาตุไฟคือความ บ, บปุบรถ้าไม่มีธาตุรวมเอกใจอยู่ไม่ได้ใจตัวนี้น่ะเราอยู่กับลมแต่ไม่ดูลมทำไม่ไม่ไซื่อสช่ด้วยทำไมไม่ดูเราพูดอย่างนี้แหละหลวงปูพูดให้ฟัง พราะว่าพูดกับพี่เหลดจะพูดเพาะได้ยังไง <c oughs> หลวงปู่พูดไปหวานเลยวะไม่หวานว่าเป็นแล้ว <c oughs> พูดกับสู้กับพี่เหลดข้าพี่เหลดจะไปพูดจอดๆแยแ ย, แยได้หรือมันต้องแสดงออกกล้องตึงถังตึงจังนะเวลาจะสู้กับพี่เหลดนะไปพูดตอนน้องโอ้ยดีแล้วดีแล้วได้มาถือศิลดีแล้วดีแล้วดีแล้วมาเกิดทําไมพ้นไปยัง <c oughs> พ้นอะไรพ้นทุกข์ไปยัง คำสอนของเจ้ามาให้สอนมาให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือมีแต่หนังสือหรือในใจของเรามันพ้นหรือยังทำยังไงจะรู้ว่าพ้นทุกข์ก็ น, นั่งให้มันเห็นทุกข์คิดหาด้วยสติปัญญาไม่เห็นก็ น, นั่งนั่งอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันแสดงขึ้นนะนะแต่เห็นอะไรที่นี่ว่าทุกข์มันเป็นยังไงจะหายทุกข์มันเป็นยังไงได้สู้กันอยู่นั่นแหะ แล้วก็ไม่ต้องไปถามใครแล้วถามหัวใจของเราเราพ้นได้หรือยังถ้าได้หนึ่งคืนตลอดคืนแล้วก็เห็นกันแน่นะพระพเจ้าไม่ถึงตลอดคืนหรอกนั่นแหละพว้เจ้าที่ต่จะรู้เพราะอธิษฐานใจว่าถ้าหากเราไม่ได้ต่จะรู้วันนี้ให้พ้นทุกันนี้ไม่รลุกหนีจากทีนะ่นั่นให้มันเห็นทุกเกิดขึ้นมามันเจ็บขึ้นมาเจ็บขึ้นมาอ้านวะ มันเจ็บเป็นมันต้องหายเป็นเลยนะพ่อแม่เคยย้ำนะบอกน้าลูกอีคลั่งนะบอกว่าโอ้ยนั่งทนน้ำซึ้งตัวนี้ขึ้นมันเป็นอย่างนี้เพรเศ้าเก็บบพเศร้าเก็บแล้วบรเหตุที่รีจริงจำจะไปลูกให้มั่นสิให้มันหายเก็บต้องเสียงสินั่งอยู่นในท้องแปดเดือนไม่เห็นมันตายล่ะได้กระดูกกรดิ่ไปไหนควจะได้คลอดออกมาเนี่ไม่นั่งแพ้เปลือกชัลวันแค่นั้นจะเป็นไรไปตายวันนี้ดีกว่าฟุ่งนี้ ตายเจอการนั่งสมาธิพักหนา้าก็ให้มันตายลองดูสิส่วนมากคนตายเรื่องอื่นน ะ, นะมีทีป ร, ระวัติเมืน้าภาพกับแม่คุบยาจางกัท่านพอรีกับหลวงพ่ออะไรอยู่เชษฐบุญนั่งสมาธิไปหาหมอในกรุงเทพเราเรยนมนัตนมาตาม่าไปกันนั่งท่านพอรีก็นั่งนั่งสมาธิเว่าแม่อุบยาจาย์องค์อื่นส่วนมากกับนัก ไม่พูดไม่จาเข้าสมาธิอยู่เป็นหลายเดือนหลายปีหลวงปู่วัดศรีจันทร์จังหวัดเลยก่อนแปดปีหลวงปู่คําดีก็่แปดปีไม่พูดหลวงปูศ่ศรีถูไม่ใช่ใ น, น้อยปีนะถ้าเข้าสมาธิอยู่ยนั่นไม่พูดกับคนบอกว่าไม่เป็นหามหมอไปหามหมอเข้าไปเข้าไปไอ้ครูบาอาจารย์ไว้ทําไมเ <c oughs> ดินกับท่านไม่พูด เกียรพูดกับคนเราเอาไปไหนท่านหมอมันก็ว่างม <c oughs> ันผู้ชาพ่อไม่ค่อยไปยุ่งนะพระสมัยใหม่ทุกวันเอา ต, ตามใจโยมโยมันจะเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปยังไงเอาไปหาหมอเอไปหาหมอเอาไปหาหไปกวนท่า น, น <c oughs> ไม่มีหมอไหนจะรักษาได้หรอกนะาไปหาหมอถึงหายแล้วก็ดังจู ก, ก็ตาย แต่หมอพระคุณเจ้าหายแล้วไม่ตายนะถ้ารักษาได้แล้วเพราะว่าไม่มีเกิดไม่มีเกิดแก่จะตายก็ไม่มี <c oughs> นั่นแห ะ, ะเพราะฉะนั้นพเจ้าจึงห้ามไว้ไม่ให้บังคับอยู่ไม่ให้บังคับไปหมายความว่าถ้าสังสานเท่าไปหาหมอเราบังคับให้อยู่นะรักษาเอาไว้ ก็คือทานอาหารรักษายาของพกุญแจคืออาหารนะทำให้หยัดทานกับเรื่องของขาศัตรคย์สังบังคับไม่ได้ปล่อยเอาไว้นะถึงเวลาอันควรของสังขารรักษาเอาไว้ถึงเวลาอันควรของสังขารไม่ให้บังคับอยู่ว่าจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจะไปโดดนำตายจะฆ่าตัวตายไปเผาตัวเองไม่ได้ต้องรักษาเอาไวเ้เก่อนยารักษาของกุญแจก็ ยาของขุนเจ้าก็คื อ, อยาดองในม้ามูดเน่า ห, นหลังจากนั้นเราเข้าทางประธานใน่ทานกับเรื่องของสังขารไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับนห้มันตายดิไม่ใช่ว่าบังคับให้สังขารร่างกายคือตายให้ทานดูแลเรื่องของธาตุขันไม่รับแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องเท่ห์นั่นแหละไม่บังคับอยู่ไม่ให้บังคับไปรักษาเอาไว้เท่าเวลาอันควรของสังขารนะคําของคุนเจ้าพอดีไหม ดูนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากใหเน้นหนักไม่มีสัจจะให้ทําทุกวันทุกวั น, ว, น, ว, นวันละอย่างน้อยหนึ่งนาทีคืนหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งนาทีเพื่อเป็นภาชนะทองรองรับจากองค์เมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากคุณศิลคุณธรรมนี่ภาชนะทองรองรับทีนี่ท่านแผ่นนิสตามาใจของเราไม่รู้ไปไหนวันหนึ่งก็าไปอยู่กับเนื้อกับตัว เหมือนเทวาดาโปรยฝนลงมาคนมีปัญญาโ อ, อ่งไปรองรับก็ได้รับคนไม่มีปัญญาปล่อยให้น้ําฝนไหลทิ้งต <c oughs> าเทียบแต่ก่อนนะมันใช้โขงรองรับเวลาฝนตกมาก็ได้ใช้น้านําฝนสมัยก่อนวัดละลามกสร้างแข่งน้าําซื้อแท่งน้าํานะแต่ทุกวันนี้ก็ได้ขี้เกียจไปหมดแล้วพระสงฆ์ก็เด็กขี้เกียจไปหมดแล้วของน้ํามไม่เป็นแล้วไม่รู้จักธรรมะกับโลกอย่ซื้อด้วยย้อนยนน้ำไปไหน ยอมๆมไม่มีน้ำปวดทัตนิก็ไม่อยากฉันมาทุกวันนี่นะมันก็เลยลืมไปหมดนะสะดุกกลืมตายมักง่ายลืมใจไปเลยแบบมักง่ายไปแล้วทุกวั น, นให้คิดดูนะพระพุทธ เ, เจ้าจึงพูดไว้ยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทำได้ฟังดึงเส แต่ก็มีคนมีคนเพียงก็ทําได้นะถ้าไม่มีทําได้ก็ไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่แล้ววิหารธรรมเครื่องดูของพระสงฆ์ก็คือดูกระบุญดูแต่บุญเมื่อเห็นบุญสะอาดใจอะไรใจดีแล้วก็พลอยธนุโลมไปทางอื่นบ้าง ต, างตอนให้ญาติโยมได้ขุ้นผลที่อยู่อาศัยทำโ น, น่นทำนี่ทำโน่นทำนี้ไปนิดๆหน่อยๆตามประลำศรัทธาของญาติของโยมมีมาเมื่อได้เอาจริงเอาจัง บอกว่าบริเวณคือว่าจันทร์ดำแล้วําอีกนะนะเวลากอพรรษาอยาไปสร้างนะน่าไปสร้างใจอย่างเดียวแต่ไปติดต่อบุคคลแต่ไปดำเนิการก่อสร้างมันเป็นภาระนะถ้าเกิดท่วมก่อสร้างขึ้นมาอยากก่อสร้างขึ้นมาก็ปัญหาใจโฉมอย่างนู้นอย่างนี้สร้างนูสร้างนี่นั่นยังไสร้างใจได้สร้างไม่จริมันสร้างอะไรมันไม่จาก่อสร้างวัดวาอารามที่ไหนดีบวชว่ดวาอาราม แต่ว่าใจของเราดีหรือยังจากในถามจุดนี้ใจดีหรือยังพ้นหรือยังพ้นอะไรพ้นโลกหรือยังดูสวรรค์หรือยังนะสวรรค์ในอกในโกในใจให้ใจอยู่กับสวรรค์ถ้าเคยดูเดี๋ยทุกวันทุกเทุกวันเสียชีวิตแล้วเจ้ากรรมในเวทถามเราก็เสียงเขาได้ฉันดูทุกวันฉันเห็นทุกวันฉันเห็นสวรรค์ทุกวันเออถ้าเห็นอยู่ไปเลยนะถ้าคุณไม่เคยดูทางไปกับกลับไปทางนรก มันมีแค่นั้นถาดหนึ่งเดียวคืออาการนี่แหละคนไทยเราส่วม น, นมากจะทาผลของไปแต่ละเช่าแต่ละเช่าเตะไปหมดคอยดูพรุงนี้ไม่รู้จะกี่ถาดละแต่เทียบกับสมัยก่อนๆโอ้ไปเป็นทะบาดสามหมู่บ้านสี่หมู่บ้านไปประแดกหอเดียวสองหอมาเคยอออกถัวเจนน้ำปราซานมั่งะมาเกยอใส่ละนาห้อนไปลวก <c oughs> มียมมันทรงกูหนึ่งมาคอยประเคนของกูหนึ่ง น, น้ำห้อนนี่มวานห่อนมากใส่กามาก่ากลวกทำประแดกแก่กันพ็ได้จำไปจำมากขน้นตัวหนึ่นชู ม, มือวิสันถ่วงไปมดดับํำ <c oughs> ของคุณแม่คุปตาจานแต่ก่อนสมณนนหอมงาม ไม่ใช่ว่าสมณะอวดอามสมณะผอถ้าของมันมีสติปัญญามันไม่ง่วงไปนั่งสมาธิไม่ง่วงนอนถึงพรน่ะในเทศกรรรราลพ่อปัญสากลปัญสาก็ไม่ได้ฉันอาหารมันแต่ข้าว เ, เปล่าก็มีบังปรรษาก็ไม่ได้นอนก็มีเพรอยากเห็นอยากรู้จักว่าพ้นทุกค์มนเป็นยังไงจากห้เห็นทุกก็นั่งดู อยกพ่นทุกข์กดูหยุดตรงให้มันถึงกับหายมันเจ็บเป็นมันต้องหายเป็น <c oughs> พอาะฉะน้นให้เร่งนะให้เร่งภาพปฏิบัติได้ง่า <c> ย <oughs> ไม่มีพิธีกรรมมากว่าพิธีกรรมนี่พิธีกรรมมาที่หลังไม่อยากให้ทําถ้างดไปได้อยากให้หยุดให้สอนได้โยมเน้นภาพปฏิบัติภาพทําบุญภาพทำสมาธิเยอะ เพานั่นโภชนาอาหารแทนที่จะเต็มเป็นโตเาขาครึ่งเป็นโตแทนที่จะจับจานเาขาครึ่งจานมันไมเน้นสังขารร่างกายไม่พาไปสวรรค์นิพพาน <c oughs> ใจเ น, <c oughs> นี่ยงไปพิจารณาหน่อยมาเอาใจด <c oughs> ู ใ, ใจให้ใจอิ่มบุญอิ่มสมาธิปัญญ า, <c oughs> าพาปฏิบัติภูชานะส <c oughs> ัง่าจจำเดียวเนี่ นสมบูรณ์แบบทางุศีลมันศีลมันพระก็อย่าเปทิ้งไม่ได้มาวัดจริงจริงก่ออธิษฐานเอาอยู่บ้านรักษาอยู่บ้านทําบาปอยู่บ้านทําไรทําบาตอยู่วัดก็ทําได้ทาบุญอยู่บ้านก็ทําได้ทาบุญอยู่ที่วัดก็ทำได้รู้บ้านก็ทําได้แต่มันก็ไม่เหมือนวัดนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าเป็นส่วนกลางแล้วัดกายและกล่าวัดวาจาพิมนาวัดใจให้ใจนิ่งสงบ ของในจะนําออกของนอกอย่านําเข้าเรื่องทางโลกๆ่านําเข้าวัดเวลาของเข้าวัดก็ห้ามนำออกไปนะเรื่องโลกๆร่ลำรวยสวยงามมั่งมีสีสุขปีขกินนิทาโกหกพุกลมปิ้นป้อนหลอกลวงอย่านําเข้าวัดซื่อสัตสย์สุบสิลิบุด้ไหมล่ะซื่อสัตย์ซุเซิล <c oughs> ิบมีความซื่อสัตย์ซุบซิลิต่อตนเองคนรับไม่มีในโลก หลวงปูล่ลวงป่ผมีคนต่างห่างน้ามหลงปู่หลวงป่ ห, ห่างนามตุกกระป๋มีคนล่างคนที่พูดไม่ใช่เป็นคนเหรือคนที่พูดถ้าเป็นคนก็ร่ำให้มันแล้วมันก็แลวอวหน้าจะมาฟังรองครูบาอาจารย์ทําไมมีคนจะมาอยูเพราะปัญหาเกียหนึ่งว่าข้องหน้าตุกปกระป๋มีคนจะมาจ้างไหมไม่เอา ประเทศอินเดียก็ไม่มีห้องห้ามสมัยก่อนยังไม่เห็นเป็นไรแต่ทุกวันนี้เกิดประเทศไทยปัญหาของบำรุงบำรเลอประเทศอินเดียเสียประเด็นนี้ของพระพุทธเจ้าเสียประเด็นี้ธรรมชาติของอินเดียไปหมดแล้วห้องน้ําใหญที่สุดคือประเทศอินเดียแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยไปสร้างวัดนคว่ำไปหมดแล้วสร้างความสะดวกในผู้แสวงบุญประเดณนี้ของบุญเจ้าหมดไปแล้วมา <c oughs> เพราะฉะนั้นจากนี้นหนักภาคกิจเรียบทําเถอยังมีชีวิตอยู่ทุกวัยุกบไปเท่าไหร่แล้ววนจะหมดแล้วบัดนี้เราทําอะไรอยู่วันเวลาหมดไปหมดไปยักษีนี้ยักษ์โหนโอคือวันเวลาะไม่มีฟันมันกินคนไม่รู้สึกตัวคือยักษีนี้ยักษ์โหนโก็คืออายุผู้หญิงผู้ชายอายุมันไม่มีฟันมันกินคนไม่รู้สึกตัววันหนึ่งกินไปหมดไปสองวันกินไปปีหนึ่งกินไปหมดไปเท่าไหร่แล้ว เรามาด้วยบุญเราอยู่ได้บุญไหมตั้งใจมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกับบ้านเก่าได้บุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดบุญแล้วรู้จากบาปไหมรู้จากบุญไหมถ้ารู้บุญมันก็รู้บาปถ้ารู้สวรรค์ก็รู้นรกนั่นแหละคำพูดที่แท้ขอให้เข้าใจจุดนี้นะนทนา่านอาจาเดชยมทุกท่านเดชพี่น้นองไม่มีวัดว่าอารอ า, า, ามผมเนี่ยครูบาอาจารย์มาเป็นหมู่เป็นเพื่อน ให้เราเตือนจิตเตือนใจของเราไห้เข้าวัดจำถิ่นเจริญเมตตาภาวนาอาหารใจกำลังใจนั่นจะให้รู้ใจนี่แหละเป็นของสำคัญทั้งขงาทั้งใจนีนไม่เที่ยมเกิดเท้าแก่เ ก, ก็ตายฟังเสียงของพระ พ, พุทธเจ้าบนเพราะอะก็บน่นให้มันใจใเฉลี่ยได้ยินนะแต่ใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ดูโว้ยมันเสียดายนะเรื่องน้าที่กุศลนครยบยอดรมลูกหลานสวัสดีพระเจ้ากระโจน เรกราบพ่อแม่คุปตาอาจารย์ศาสนาในมนฑปพ่อแม่คุปตาอาจารย์มาให้ก็ไม่มีให้จะให้ให้ทําเป็นทานมีอันดสงฆ์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงให้ทําบุญให้ทําไม่ใช่ก้อนทําก้อนข้ต้มขนุ่มทำอยู่ภายในใจ่ะให้ทำภายในใจให้ดูใจถ้าดูง่ายๆเราถ้ามาให้มาให้มาให้ไม่ได้มาเอา ขอให้ทำจุดนี้อันาะจุณนกุต น, นที่เราได้กระทำแ้วนี้อำนาจรุ่นกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระทําคุณพระสงฆ์ในจึงจะเกิดช่างลายยุสาสต์โลกนี้ก็จมะมารวมกันจงปกป้อง ป, ป, ปกปัปกหรักษาปกครองดั่งหลักดั่ปีน้องตลอดสังะเจ้าพระสงฆ์ ยงมีแต่ความสุขความเจริญสุกกายสุขใจหมาจากทุกโศกโรคไฟทํางานจึงใดาาการงานจึงไดพัฒนาสิ่งหนึ่งอะไรไปจงสําเร็จจงสําเร็จโดยจะพอะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงผ่ากันตั้งศูนตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นโอรนเห็นตะวันเห็นปัญญาในปัจจุบันในชาตินีเดิน อไม่มีข้อสงสัยอะไรไม่มีข้อสงสัยกับคุณนี่ฮะคืนนี่ไปนั่งดูก่อนอยามีคำสงสัย